กราบคุณพรัตนไตรนะครับกราบหลวงพ่อเทียนกราบหลวงพ่อมเงียนกราบข้ออกาสพระจันทร์ไพศานะลกราบข้ออกาสพระจันทร์ยุกกิกราบข้ออกาสพระจันทร์สุรินนะครับแล้วก็ข้ออกาสพวกเราเพื่อนสาธ ม, มิกเจริญพรไมช่ชีแล้วก็จเจริญพรพวกเราเนาะสังฆะ <laughs> ก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สังขะเนาะเราก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนาะนั่นนั่นคือตรงนี้ก็เราก็นับถือพระเจ้ากันนับถือพระธรรมนะครับนับถือพระสงฆ์กันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าการอยู่เป็นหมู่ก็ช่วยกันตรงนี้นะครับอย่างนั้น การที่เรามาสวดมนต์กันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาทบทวนนะครับมาทบทวนกันทุกเช้าทุกเย็ยนทุกเท้่ยงทุกเย็ยนแต่สิ่งที่มันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่พอเราทําเป็นประจำประจำเนาะบางทีสิ่งสิ่งนี้ก็คล้ายๆว่าเหมือนกับ เราก็ทําไปอย่างขาดการพิจารณาเนาะเหมือนอย่างเขาเรียกว่าจะเรียกว่าทําไปอย่างขาดสติก็ได้นะเหมือนกับเราอยู่กับความคุ้นเคยอันใดอันหนึ่งเนาะใช่ไหมยิ่งโดยเฉพาะคนเนี่ยยิ่งหลวงพ่อเองนะจะแบบว่ามีคําพูดอยู่คำหนึ่งที่ประกาศกับ ต้องใช้คำว่าประกาศนะประกาศ ก, กับคนรอบข้างนะบอกว่าถ้าคนไหนที่สนิทเนี่ยทำไม่ถูกใจเนี่ยทำไม่ถูกใจนะจะไม่ยกโทษให้เลยคืนนี้เราก็เหมือนกับคลายว่า เวลาทำนองเดียวกันเนาะใช่ไหมมันก็ละไว้ในฐานที่ก้าใจหรือไม่งั้นเราเองเราก็รู้ตัวเองว่าเวลาที่เราอยู่กับคนอื่นๆที่เราไม่ไม่รู้จักเราก็จะเขาเรียกว่ามีมารยาทกับเขานะไม่กล้าอรารวาส <c oughs> แต่พอเวลาที่คนที่เราคุ้นเคยเรารู้จักอยู่อย่างนี้นะ ทำอะไรนิดหนึ่งนะก็เราก็จะไม่ยกโทษก็ <g ül> จะอารวาไให้ <g ül> ตรงนี้ก็นึกถึงประ่านมนี้พระจันทร์ไปศาลท่านก็ช่วยช่วย <g ül> ช่วยนำทางนะว่าเออนี่เราสังเกตไหมใจเราเนาะ <g ül> ใช่ไหมเป็นใหญ่ใช่พอเวลาที่เราตั้งใจนะตั้งใจเอาไว้ <g ül> ่าถ้าใครไม่ทำตามใจเราใช่ไหมครับอย่างนั้นเราก็จะอรารวาดอย่างนี้นี่ก็คือสิ่งที่มันคือในในการดาเนินชีวิตของเราเนี่ยตัวใจเนาะก็เป็นตัวที่เคียงคู่ไปกับร่างกายปนึงจากว่าถ้าร่างกายนี้ไม่มีใจนะเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ย มันก็จะไม่เกิดไม่เกิดก็เรียกว่าชีวิตเนาะไม่เกิดชีวิตไม่มีการกระทาต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยก็มันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราถ้าเรารู้อย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้อาจา ร, รย์อท่านก็ผาสวดนะเมื่อไหร่ท่านรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลเมื่อไหร่ เรารู้ด้วยตนเองว่าทําเหล่านี้เป็นอกุศลเนี่ยคือตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าก็เราทําสิ่งที่เป็นกุศลเราทําสิ่งที่เป็นอกุศลตรงนี้เราก็ต้องแยกกันออกไปเนื่องจากว่าพอเวลาที่เราเข้ามาอยู่วัดด้วยกันเนาะจะเป็นพระภิกษุก็ดีจะเป็นพวกเราญนะาติโยมที่เป็นสังฆะด้วยกันก็ดีตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะได้รับ โทษภัยเนาะของอกุศลที่เราได้ทามาตลอดชีวิตเนี่ยตรงเนี้ยกันไม่มากก็ น, อน้อยนะอย่างนั้นนั่นนึงคือตรงนี้เราก็มีทุกเนาะประชำตัวกันทุกที่เกิดจากการกระทาของเราทุกที่เกิดจากการคิดของเรานี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกับว่าแยกแยะได้นะมาโอเนาะไอ้เคยไอ้สิ่งที่เคยทำให้เราทุกเนี่ยตรงนั้นมันก็เป็นอกุศลนี่กุศลล่ะ หลวงพ่อเขมเขียนเวลาที่ท่านเป็นพระอุปัชฌานะท่านจะย้ำย้ำทันทีเอา้าตั้งใจมาบวชหรือเปล่าใช่หมเพระาะว่าเนื่องจากว่าเวลาที่จะบวชเนี่ยต้องมีคำขอนะขอครั้งที่หนึ่งขอครั้งที่สองขอครั้งที่สามอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างนั้นคือในการพูดเปล่งวาจาสามครั้งเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าเปล่งครั้งแรกแล้วยัง ไม่รู้สึกตัวยังขาดสติอยู่นะเป่งครั้งที่สองใช่ไหอใช่ไห ม, ไหมก็ยังเหมือนกับยังไม่เต็มที่เนี่ยเป่งครั้งที่สามก็อู๋นี่นะเราตั้งใจจริงๆแร้แวพ่อพงศเกีจะถามย้ำว่าไม่มีใครบังคับมานะอย่างนี้โอ้รู้ไหมว่าบวชเนี่ยนะใช่ไหมอย่างเนี้ยหมายถึงอะไรอย่างเนี้ยแล้วพ่อพงศ์เกีก็จะให้ง่ายๆบอกว่าบวชเนี่ยหมายถึงว่าเราละชั่วนะ แล้วก็มุ่งหน้าทำความดีตรงนี้ก็คือคันเป็นคำจากัดความที่ที่หลวงพ่อรมเขียนก็จะบอกว่าการบวชเนี่ยคือความหมายเนี่ยเป็นอย่างนี้ละแล้วก็ตรงนี้ละก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราแยกกนะุศลกับอกุศลเนี่ยออกจากกันได้ชัดเจนเนพะระาะว่านั้นคือยังไงก็ตามเนี่ยถึงบรนบวชเนี่ยพวกเราแต่ละคนแต่ละคนก็ อายุ20 21กันใช่ไหมอย่างเนี้ยก็มีประสบการณ์ทางโลกกันมาพอสมควรทุกสุขต่างๆก็เราก็รู้ผ่านตรงนั้นกันอยู่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเป็นสำคัญในชีวิตแล้วมาถ้าเราสามารถที่จะแยกแยะเนาะแยกแยะตรงนี้ออกเนี่ยพอเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมกันในทางหลวงพ่อเทียนเนี่ย คำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นนะถึงต้นเหตเุของปัญหาในชีวิตเราเนี่ย mm hmm. การที่เราเริ่มเนาะมีกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เนี่ย mm hmm. ตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเจียนเองท่านก็จะเน้นเลยนะว่าในขณะที่เรา ตั้งใจที่จะเอาเนาะเอาความเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยมาให้จิตใจคอยรับรู้เนี่ยตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนาะก็คือมันจะมีความคิดที่เกิดขึ้นมาในระหบังนั้นความคิดตรงนั้นะมันเป็นการที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นการลักคิดหลวงพ่อคำเขียนจะใช้คำแรงนิดหนึ่งนะหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นโสเพณีจิตหลวงพ่ อ, อโสเพณีจิตก็คือมันสับสน มันคิดไปได้ทั่วไปใชาคำว่าคิดได้ทั่วไปเนี่ยจะได้เป็นคิดเรื่องอกุศลเนี่ยนะก็ได้จะคิดเรื่องกุศลก็ได้นะแต่ถ้าเราสังเกตรจริงๆเนะ่มันจะคิดเป็นอกุศลอะเยอะกว่าแต่ว่าตรงนั้นะเพราะอะไรนะนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราไม่ได้ตั้งใจคิดเนาะนะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าการที่ เมื่อเราเริ่มเนอะเริ่มใช้สติที่จะคอยดูแลกายคอยดูแลใจหรือว่ากุมเกนจะบอกว่ า, วามีสติลงไปในกายมีสติลงไปในใจเนอะลงไปเลยลงไปในกายเลยลงไปในใจเลยแต่ว่าก็ไม่ได้มีมากกว่านั้นได้มีแค่สองที่นี่แหละ <c oughs> ใช่ไหมอย่างนั้นเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราเหมือนกับว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เนี่ย ถ้าเรามีสติอยู่กับสองสองส่วนนี้ส่วนที่เกินมานะก็คือส่วนที่มันเป็นความคิดนี่หละใช่ั้ยซึ่งนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทาเรายังไม่ได้ตั้งใจคิดนะเรากำลังตั้งใจทาตั้งใจคอยรู้สึกไปกับกายติ๊กเคลื่อนไหวเนาะอย่างนี้ตั้งใจดูว่าอืมนี่ใช่ั้ยใจมาคอยรับรู้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ หลวงพ่อขเทียนได้ชี้ให้เราได้เห็นเนาะว่านี่คือตัวที่เป็นตัวที่เราไม่ได้ตั้งใจและมันเข้ามาเองนะครับอย่างนั้นหลวงเทียนบอกว่า น, นี่คือต้นเหตุของทุกในขณะที่เราเริ่มปฏิบัติธรรมกันเราก็จะได้เห็นเนาะได้เห็นสิ่งนี้ชัดเจนในเวลาสั้นๆเนาะนี่การได้เห็นตรงนี้เนี่ย มันจะทําให้เรายัางไงเขาเรียกว่ามันทําให้เราได้เหมือนกับรู้นะวานี่คือต้นเหตุของความทุกข์หลวงพ่อเทียนก็ย้ํำมาไว้นะครับว่านี่คือต้นเหตุของความทุกข์เวลาที่เราปฏิบัติทำกันพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็เกิดความเคยชินพอเกิดความเคยชิน เราก็เริ่มไม่ละมัดระวังใช่ใจของเราเนะาะก็เริ่มก็เรียกว่าไปก็เรียกว่าไปกับความเคยชินเดิมๆนั่นนั่นคือไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ตามอะไรเงี้ยเนาะเาเรียกว่าความหลงนะที่เกิดขึ้นก็คือหลงไปคิดเข้าไปสู่กระบวนการของความคิดอีก แต่ทำนองเดียวกันก็จะมีนักปฏิบัติธ ร, รรมอีกจํานวนหนึ่งเนาะที่เขาเรียกก็หลงไปอีกอย่างหนึ่ง<ม>ก็คือหลงไปเพ่งคือตรงเนี้ยก็จะเป็นความหลงของนักปฏิบัติธรรมที่เหมือนกับว่าถ้าเริ่มปฏิบัติธรรมกันเนาะหรือว่าจริงๆก็ไม่ใช่หรอกก็ความหลงมันก็มีแค่นี้เองไม่หลงไปเพง่งก็หลงไปคิดก็มีเท่านี้มาเนื่องจากว่าพอหลงไปคิดไม่หยุดไว้แค่นั้นมันก็ ออกมาเป็นคําพูดออกมาเป็นการกระทำนะหลงไปเป็นวันๆหลงไปเป็นเดือนๆหลงไปเป็นปีๆก็เป็นแบบนั้นกันอนะไรเงี้ยนี่คือเป็นสิ่งที่ในในเขาเรียกว่าในการเข้ามาอยู่ที่นี่ในการที่เราอยู่กับแบทบงนะการปฏิบัติธรรมแบบสุกโตแบบหลวงพระเทียนเราก็จะพบเรื่องแบบนี้เมื่อ เมื่อช่วงที่ผ่านมาสิบวันที่แล้วก็จะมีนักปฏิบัติธรรมชาวจีนเข้าไปก็จะมีคนจีนคนหนึ่งนะที่ที่เขาอยู่ที่นี่มาประมาณเดือนหนึ่งคนตัวสูงสูงพวกเราคงเห็นเขาก็ขึ้นมาทํามัดทุกวันนะครับอย่างนั้นแล้วก็เขาก็ตั้งใจปฏิบัติทั้งวันทั้งวันทั้งวันเนาะอย่างนั้นก็ตรงนี้ก็ เขาเองเขาบอกบอกว่าเขาพอเข้าไปปฏิบัติที่ที่อาศมเนี่ยในช่วงสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เขาได้ไดรู้เนาะเขาได้รู้อะไรมากขึ้นเนาะเนี่ยตรงนี้คือไม่ใช่ว่าที่ตรงนู้นมีอะไรที่ดีกว่าที่นี่ไม่ใช่แต่ว่านั่นคือมันอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งก็คือ เขามีความเพียรที่สม่ําเสมอความเพียรที่สม่ำเสมอเราจะเห็นนะเขาเหมือนกับว่าเขาจะอยู่กาปฏิบัติเนาะอย่างก็เรียกว่าอย่างอย่างสงบเนาะก็ได้เนาะอย่างสงบมากๆนะตั้งใจปฏิบัติเนาะแล้วก็ตั้งใจก้าวทุกก้าวเนาะตั้งใจที่จะก้มหน้าเนาะ ไม่ให้สายตาไปสัมผัสกับอะไรต่างๆ น, นานาเหล่านี้เนาะตั้งใจก้าวช้าๆก็ไม่ช้ามากนะก็ดูเหมือนกับมันพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นก็เห็นเห็นก็อยู่เพระาะว่าเนื่องจากว่ามาในคอสปฏิบัติที่เมื่อก่อนหน้าจะมีกลุ่มของสุ ร, กรนะักกรนะกับกลุ่มของกับกลุ่มของโรงพยาบาล เสาให้มาก็เห็นเขาแบบนี้ เ, เขาก็ทำท่าเหมือนเดิมทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ทุกเวลา <c oughs> แต่ว่าเราก็สังเกตสังเกตเห็นอยู่ว่าที่ที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขาเขาเรียกว่าตั้งใจมากไปนิดหนึ่ง เราจะเรียกภาษาธรรมว่าภาษาหลงพระเทียนก็ได้ว่าเพ่งจ้องเกินไปแต่มันสักนิดหนึ่งนะครับอย่าง้ท้ายสุดเขาก็มีเหมือนกับว่ามีเวลาที่จะสอบถามทุกวันเนาะตอนตอนเย็นๆอย่างเงี้ยทุกวันก็จะให้โอกาสถามกันประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาก็บอกว่ามาผลของการปฏิบัติแบบแบบที่เขาปฏิบัติมาตลอดเนี่ย มันตึงๆนะมันมืนๆ น, นะแต่นั่นก็คือเขาก็ไม่ทิ้งนะมันจะมืนมันจะตึงยังไงก็ตามนั่นนั่นคืออานิสงค์ของเขาอานิสงค์ของเขาเขาเขาก็ไม่ทิ้งแต่จริงๆแล้วเขาเองเขาก็คำว่ามากไปนิดนึงก็คือไม่มากแต่เขาก็สังเกตได้ว่ามันเป็นแบบนั้นเนาะอย่างเงี้ยเพราะมาที่นูนนะ่นเนาะเราก็จะให้โอกาสเหมือนกับว่า นักปฏิบัติธรรมเนี่ยเดินตามเดินตามบินทบาทกันประเดินตามบินทบาทกัน <c oughs> อาการเดินยาวๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถที่จะก้มตาต่ำนิดนิดนึงหรือว่าก้าวใช่ไหมให้สม่ำเสมอทุกกนะ้าวเนาะ50เซนทุกก้าวหเซนทุกก้าวหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้ตามที่ใจมันตั้งเอาไว้ ใช่ไหมครับได้เพราะนื่องจากว่าเดี๋ยวก็เหยียบหินบ้างเดี๋ยวก็ต้องหลบขี้หมาบ้างเดี๋ยวก็ต้องไอ้นู่นบ้างไอ้นี่บ้างอะไรเงี้ยนั่นก็คือตรงนั้นอ่ะมันก็ทําให้ไอ้ใจที่เราคุมมาไวเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช่ไหมไม่สามารถที่จะคุมมาไวได้แต่ถ้าอยู่ในลูจงกลมหรือว่าอยู่ในการนั่งปฏิบัติเนี่ยบางทีการที่เราจะคอยคุมเนาะมีใจที่จะคอยคุมให้มันจังหวะเพะๆเท่านี้หรืออะไรต่างๆนานาเหล่านั้น ตรงนั้นน่ะนั่นก็คือการที่เราตั้งใจไปนิดนึงเนาะอย่างนี้นี่นี่คือสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นปัญหาของนักปฏิบัตินะแต่ว่าข้อดีนะข้อดีที่ที่เขาทำก็คือเขาทำเพียนสม่าเสมอเพียนสม่าเสมอพอเพียนสม่าเสมอเนี่ยพอเวลาที่มีคำถามขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะ เหมือนกับว่าได้สังเกตเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของเขามันก็ดีอย่างนะตรงที่ว่าคนจีนเนื่องจากเขาพูดไทยไม่ได้นะมันต้องมีภาคที่เขามีเวลาพูดเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องอาศัยล่ามเนาะนั่นนั่นคือเขาก็ปฏิบัติกันไปวันเนาะทั้งวันอย่างเงี้ย่นั้นพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยพอถึงเย็นเาก็ถามทีหนึ่งถามทีหนึ่ ง, งตรงนั้นมันก็ทาให้ การปฏิบัติเนี่ยเป็นความต่อเนื่องการปฏิบัติที่ต่อเนื่องเนาะหลายหลายวันเนาะหลายๆวันหรือว่าทั้งวันทั้งวันตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติยิ่งพวกเราเนาะที่อยู่ในวัดเราก็เลือกอิริยาบถ ท, ที่จะเป็นอิริยาบถหลักๆใช่ไหมครับก็คืออยู่ในรูปแบบแต่ส่วนนอกรูปแบบเนี่ย เราก็ถือว่าเป็นอิรลียบทย่อยแต่ว่าความต่อเนื่องที่หลวงพ่อเทียนพูดไว้ก็คือความต่อเนื่องที่เป็นลูกโซ่ในความหมายก็คือเป็นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบต่อเนื่องกันไปเพราะว่านี่คือการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนจะเด่นตรงนี้นะเด่นที่ว่าเราสามารถที่จะเอามาใช้กับชีวิตประจําวันได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็คือพอการปฏิบัติเนี่ย เราปฏิบัติไปในรูปแบบมากๆแล้วก็จะมีสติเนาะตามเข้าไปอยู่ในนอกรูปแบบเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติมาเป็นเดือนๆเราก็จะได้เห็นนะว่าโอ้เราก็มีสติไปกับการหยิบการจับต่างๆมีสติไปกับการลุกการนั่งต่างๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์เนาะเป็นหลักต้องถือว่าเป็นหลักของเราการปฏิบัติที่เราปฏิบัติต่อเนื่องนะ ให้ผลแน่นอนการปฏิบัติที่เราเนาะไม่เพ่งไม่จ้องเนาะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดเาเรียกว่าเาเรียกเกิดจิตเนาะที่เป็นอิสระอย่างเงี้ยการที่เราคอยนอะมีสติลงไปในกายมีสติลงไปในใจเนี่ยเราก็จะได้เห็นก็ เ, เรียกว่าเห็นจิตเนาะที่เป็นอิสระที่ผ่อนคลาย เห็นจิตที่ถูกบีบถูกลัดถูกกักขังไว้อย่างนี้คือตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราจะรู้สึกได้เนาะเพราะว่าหลวงพ่อเทียนให้คําจำกัดความของคำว่ารู้สึกตัวเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้สึกลงไปในกายก็ได้รู้สึกลงไปในใจก็ได้แล้วก็ตรงเนี้ยเนาะเขาเรียกว่าหลวงพ่อเขียนเขาอกว่านี่คือสิ่งที่ความรู้สึกตัวเนี่ย เป็นตาพิเศษเป็นตาพิเศษเพราะว่าตาปกติของเราจะเห็นเฉพาะข้างนอกและข้างหน้าแต่ถ้าตาพิเศษเนี่ยเห็นข้างหลังก็ได้เห็นข้างในก็ได้อย่างเงี้ยนั่นก็คือตรงนี้พอเวลาที่เราใช้ตรงนี้เนี่ยพอเราใช้ใช้ บ, บ่อยๆใช้ บ, บ่อยๆแล้วก็จะชานาญขึ้นเนาะการที่เราจะเห็นเนาะก็เรียกว่าต้นเหตุ ข, ของทุกเนะ ที่เป็นจริงมากขึ้นก็คือเห็นให้ความอยากของเราอย่างเงี้ยเนะเห็นความอยากของเราแรกๆนี่หลวงพ่อเทียนจะบอกว่ารู้ว่าคิดให้กลับมาก่อนเนี่ยรู้ว่าคิดให้กลับมาก่อนนะไม่ได้ไปหานะว่าไอ้ความคิดนั้นเป็นความคิดอยากไม่อยากยังไงก็ไม่ต้องไปหาเลยอย่างเงี้ยนะต่วเวลาเราทำไปทาไปทาไปเนี่ย ใอ้ความชำนาญของเราที <Gym. S 1> ่เราทำความรู้ที่มากขึ้นมากขึ้นของเรามันก็จะทำให้เราได้เห็นยิ่งพวกเราอยู่กับอิเลียบทเนาะที่เรียกว่าอิริียบทหลักๆเนี่ยการที่เราตั้งใจที่จะไม่คิดตั้งใจที่จะไม่พูดแล้วก็ตั้งใจที่จะไม่หาเรื่องมาทำเนาะอย่างเงี้ยไม่หาเรื่องมาคิดไม่หาเรื่องมาพูดไม่หาเรื่องมาทำเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำให้เราได้เห็นเนาะ จิตที่ด <death> ิ้นรนเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าเราเคยตามใจมาตลอดตามใจมาตลอดใจอยากทำอะไรก็ทำไปใจอยากทำอะไรก็ทำไปแต่ว่าพอเวลาที่ใจอยากทำอะไรก็ทำไปเนี่ยเราจะเห็นมันมีความอยากนหนาใจนะเพราะอยากทำอะไรอยากทำอะไรอยากทำอะไรแบบเนี้ยตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ก่อนหน้าปฏิบัติธรรมเราจะไม่ทันสังเกตแต่พอเวลาที่เราเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งหลงพกคำเขียนเนี่ย ได้เน้นว่าอย่าลุกถ้าอยากลุกอย่านั่งถ้าอยากนั่งเนี่ยไอ้แค่กิริยาลุกๆนั่งนของเราที่เปลี่ยนอีริยบทจากการลุกนั่งลุกลุกจากการนั่งสร้างจังหวะไปเป็นการเดินจงกรมเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตตัวเองเนี่ยแรกๆนี้เราก็จะเดี๋ยวเดินจงกรมสัก5นาทีก็มาลุกไอ้มานั่งนั่งสร้างจังหวะสัก3นาทีก็ลุกอย่างเงี้ยนะไอ้กิริยาลุกๆนั่งๆแบบนี้ล่ะมันเป็นกิริยาที่อยากลุกก็ลุก อยากนั่งก็นั่งความอยากมันนำอย่างนี้หลวงพ่อเจียนมาว่ายังไม่ก่อนยังไม่ก่อนนะสมควรลุกค่อยลุกสมควรนั่งค่อยนั่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พอเวลาที่เราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยพอเวลาที่คำสอนครูบาอาจารย์เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นความอยากเนี่ยชัดเจนนะเห็นความอยากที่ชัดเจน น, ะนั่นก็คือตรงเนี้ยว่าเวลาที่เหมือนกับเราทำไปทาไปเนี้ย ไอ้ความอยากที่ชัดเจนตรงนี้เราก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าจังหวะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างชัดเจนเหมือนกันเพราะเนื่องจากบางครั้งอยู่กันหลา ย, ลายวันเนาะเราตั้งใจที่จะไม่พูดเนี่ยพอเวลาที่มันมีโอกาสเนาะที่มีอะไรผ่านมาสักอย่างนึ่เนาะอย่างเนี้ยเนาะแล้วก็จิตมันก็อยากที่จะพูดแต่ว่าตรงนั้นะสติ ที่เราเองเราก็ตั้งใจปฏิบัต <bunker> ิมานานเนาะเขาก็จะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นอืมแบบนี้แล้วเนาะที่เขาเรียกว่าก็เรียกว่าไอความอยากเนี่ยมันก็ดับไปอย่างเงี้ยคือผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติมาต่อเนื่องเนี่ยเนาะถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศรัทธาให้เราปฏิบัติต่อตรงเนี้ยการที่เราจะปฏิบัติต่อเนี่ย คนจีนคนนั้นก็บอกบอกว่าเวลาที่เข้ามาเนาะเข้ามาที่นี่เนี่ยได้มากราบขอโอกาสพระอาจารย์ไปย์สารปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วขอคําแนะนำเนี่ยพระอาจารย์ไปย์สารก็จะบอกนะครับก็ใ ห, ให้ให้หลักเอาไว้นะครับบอกว่าเนาะให้ทําสบายๆเนาะอย่าเนี้ยใช่ไหมครับเนี่ยะาให้ทำสบายๆนะนะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็ อย่าเพ่งอย่าจ้องนะ อ, อย่างนั้นแล้วก็อันที่สามเนี่ยนะครับก็แบบว่าให้ทำให้ต่อเนื่องหลักนะครับหลักสามอันเนี่ยมันเป็นหลักที่พอเวลาที่เรามีสติที่ดีหน่อยเนี่ยการทำสบายๆเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนนะครับก็จะบอกว่าทำยิ้มๆนะทำเล่นๆแต่ทำจริงๆคำว่าทำเล่นๆแต่ทำจริงๆเนี่ยมันครอบคลุมไป ครอบคลุมไปเลยนะครับครอบคลุมทั้งทั้งสามหลักการที่พระจานทร์เทสานเนี่ยได้บอกเอาไว้ใช่ไหมครับก็คือเราไม่เพง่งไม่เคร่งเครียดนะก็ใช่ไหมครับทำยิ้ม ย, มยิมนะครับทําเล่นเล่นแต่ทำจริงจริงเนี่ยก็คือทําให้มันต่อนเนื่องนะครับอย่างนั้นอย่าวางอย่างเงี้ยอย่างนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่คนจีนคนนั้นนะครับเขาก็เหมือนกับว่าตั้งใจปฏิบัติเขาบอกบอกว่าที่เขาไปอยู่ที่อาศมเนี่ย เขาเขาเหมือนกับว่าเขาชัดเจนมากขึ้นว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรเนี่ยเพราะว่านั่นคือการที่เขาปฏิบัติต่อเนื่องมายัางไม่ไ ม, ไม่ไม่ละไม่เลิกความเพียรเนี่ยตรงนั้นพอเวลาที่เขาได้ฟังเนาะ mm hmm. ก็เรียกว่าได้ฟังคำอธิบายหรือเราเรียกว่าฟังธรรมก็ได้อย่างเงี้ยนะอย่างนั้ น, น, นตรงนั้นะ่ะมันทำให้เขาได้มาพิจารณากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเขา มันทําให้เขาได้ประมวลผลนะว่าโอ้นี่เป็นยังไงก็จะมีคนจีนอีกคนนึงเนาะที่เพิ่งเคยปฏิบัติไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยในชีวิตอย่างเงี้ยเนาะปรากฏว่าพอคําถามแรกของเขานะในวันในต้องเรียกว่าในวันแรกวันที่สองเนี่ยโอ้เป็นคําถามที่แบบดุเดือดมากเป็นคําถามที่ดุเดือดมากเาะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนกับบ้าเขา ทีบประมวลผ ล, ลนะนะเหมือนกับว่าวันนี้การปฏิบัติเป็นยังไงนะเอ๊ะทำไมแล้วมันไม่ได้ผลตามใจที่เขาคิดเขานึกเอาตามใจที่เขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้น <c oughs> นี่ก็คือสิ่งที่หลวงพ่มเขียนก็จะบอกนะครับบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะ <c oughs> อย่าเพิ่งด่วนรับด่วนปฏิเสธอะไรต่างๆ น, นานาตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราเองเรามี คำสอนของครูบาอาจารย์นะช่วยช่วยกำกับเราก็ดีนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีคำสอนของครูบาอาจารย์ช่วยกำกับเราเนี่ยไอความตั้งมั่นที่เราจะมีความเพียรเนานะเป็นระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งเราสามารถที่จะประมวลผลได้เนี่ยเหมือนกับ น, นักสืบอะใช่ไหมครับอย่างเนี้ยที่เขาค่อยค่อยเนาะหาหลักฐานที่ลาอย่าง2 อ, อย่างสาอย่างหลักฐานเล็กเลก็น้อยน้อยอะไรก็ไม่ทิ้งอย่างเี้ย นักสืบก็จะไม่ก็เรียกว่าจะไม่ด่วนสรุปนะไม่ด่วนตัดสินว่าไอ้นั้นคืออะไรไอ้นี่คืออะไรนั่นนั่นคือตรงเนี้ยว่าการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยครับถ้าพวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติตามนะครับตามแนวทางที่พระอาจารย์ไปสานให้ไวอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นหลักการง่ายๆนะครับสองสอย่างเนี่ยนะครับ น, นะครั บ, รบก็คือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นทั้งหมดนะครับของการปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องยาวนานไปมันเป็นชีวิตประจําวันของเรารู้ก็รู้ว่ารู้ก็ดีแล้วรู้ว่าหลงก็ดีแล้วนะครับก็ทํายิ้มยิ้มไปนะครับใช่ไหมครับทำสนุกสนุกไปทําเล่นเล่นไปทําเล่นเล่นไปก็คือในรูปแบบก็ทําไปนอกรูปแบบก็ลองทําดูอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้ น, ค, น, นคือ น, นี่ก็คือมันจะเป็นเรื่องที่ถ้าเรานึกขึ้นได้มีสติและลึกขึ้นได้ว่าคอยรู้สึกตัวดูซิคอยรู้สึกตัวดูซิอย่างเงี้ย นี่ก็มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยทำต่อเนื่องไปตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กมพลก็ดีไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ไปสารก็ดีไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคําเขียนอะไรก็ดีก็ได้ได้บอกในใจความสําคัญตรงนี้เอาไว้จริงๆแล้วตรงนี้ก็คือหลักการนะครับหลักการที่เมื่อกายเคลื่อนใหม่เอาใจมาคอยรับรูน้นี้ก็เป็นหลักการที่เรียกว่าครอบคลุมนะครับรู้ว่าคิด นะครับกลับมาก่อนเนียก็เป็นหลักการหลักๆที่นี่ให้เราแยกทุกข์ออกไปนะครับไม่ยุ่งกับทุกข์แล้วอะไรเงี้ยนั่นก็คือตรงเนี้ยนะครับว่าการปฏิบัติของพวกเราถ้าพวกเรานะครับได้สังเกตรตรงนี้นะครับได้เอาเขาเรียกว่าสังเกตลงมาที่ใจของเรานะครับเราก็จะเหมือนกับว่าไม่ทำตามความอยากเา ก็เรียกว่าไม่ทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากเนียเราก็ไม่เป็นทาตของกิเลสนะนั่นพอเราไม่เป็นทาตของกิเลสเราก็เป็นอ <laughs> ิสระอิสระที่ไหนอิสระที่ใจของเราใช่ไหมครับพอใจเราเป็นอิสระเนาะตอนนั้นเราก็จะสัมผัสนะความไม่ทุกนะครับได้ง่ายนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นหลักนะของการปฏิบัติแล้วก็เป็นสิ่งที่ ให้เราเนี่ยได้ลองดูลงไปที่ผลของการปฏิบัติที่ใจของเรานั่นก็คือตรงเนี้ยอย่างที่พระอาจารย์เปตสารได้ย้าไปมามานนะครับใจนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรจะต้องให้ความสนใจกันแล้วก็ตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราพบความไม่ทุกข์กันครับก็พวกเรากราบพระพร้อมกัน